มาทิ่ที่แล้วนมีการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญมากนะมันไม่ได้หมายถึงประชุมเอเปนะประชุมเอเปนี่มันก็ยังเกี่ยวข้องกับไม่กี่ประเทศนะในเขตเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าการประชุมที่ว่านี่นะมันเป็นการประชุมที่เกี่ยวพันกับอนาคตของโลกเลยทีเดียวนะมี ตัวแทนประเทศประชุมเนี่ยถึง200กว่าประเทศนั่นคือการประชุมนะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเพื่ให้เจาะจงคือประชุมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาโลกร้อนหรือที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหนา้าภูมิอากาศนี่มันดูไม่ชัดเจนนะแต่พูดถึงโลกร้อนนี่หลายคนเนี่ย ก็รับรู้ได้ทันทีว่าเป็นเรื่องใหญ่อาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มีการประชุมีจริงเขาไม่ได้ประชุมแค่อาทิตย์เดียวนะเอเปกประชุมแค่3 4ี่วันแต่ประชุมที่เรกว่าครอปยีเนี่ยประชุมทางสองอาทิตย์นะแล้วก็ไม่สามารถจะยุติ ต, ตามกำหนดได้ ต้องขยายเวลาไปอีกสองวันเนะพิ่งได้ข้อสรุปนะเมื่อวานการประชุมนี้สำคัญยังไงนะมันสำคัญเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยโรค ก, กันบางร้อนขึ้นทุกทีทุกทีและโรคร้อนเนี่ยนะมันก็หมายถึงปัญหานานาชนิดที่จะตามมาน้ำท่วมฝนแรง ขึ้นความร้อนที่แพร่กระจายรวมทั้งน้ำทะเลที่กำลังจะท่วมยังไม่นับปัญหาอมากมายนะที่ตามมาเช่นการปลูกพืชถั่นจะพืชอาหารก็จะได้รับผลกระทบกระเทือนสัตว์น้ำนที่เคยเป็นอาหารมนุษย์ก็จะลดน้อยถอยลงโรคระบาด ท, ที่มากขึ้น เรื่องนี้เนี่ยก็รู้กันมานานนะสามสิบปีแล้วความรู้ก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันทจะไม่น่ากลัวน่าวิตวกเพราะงเลยตั้งเป้าเนะี่ยมาเมื่อหลายปีที่แล้วว่าถ้าจะบรรเทาปัญหาโลกร้อนเนี่ยจะต้องควบคุมการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอก๊าซนี้เนี่ยมันทําให้โลกร้อนนะ ก๊าซเซอร์กกระจกะซึ่งก็ไม่ใช่มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์มันมีตัวอื่นด้วยเช่นมีเทนแต่คาร์บอนไดออกไซด์สำคัญมากนันก็เกิดขึ้ น, นจากการเผาน้ำมันการใช้ฐานหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่จำเป็นนะต่อเศรษฐกิจของโลกนะ แต่ตอนนี้ความจำเป็นก็เริ่มจะลดลงแล้วพะมีพลังงานอื่นมาทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะแล้วก็พลังงานอื่นๆ อ, อ, อีกมากเขาเลยต้องเปล่าเนี่ยนะจะต้องลดอุณหภูมิของโลกให้ได้ให้จำกัดอยู่แค่ 1.5 องศาเซลเซียส หมายความว่าไม่ให้เพิ่มขึ้นไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเนี่ยเกินกว่า 1.5 องศาโดยเทียบกับเมื่อ200ปีก่อนคือก่อนจะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วง200ปีนี้อุณหภูมิของโลกก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้อุณหภูมิเฉลีย่ยตอนนี้มันก็ 1.2 1.3 เข้าไปแล้ว บอกว่าเนี่ยถ้าว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยเกิน 1.5 องศาเมื่อเทียบกับเมื่อ200ปีที่แล้วนี่มันจะเกิดวิกฤตที่รุนแรงแล้วก็อาจจะไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วและ 1.5 องศานี่ก็เป็นตัวเลขสำคัญเป็นเป้าสำคัญแล้วกขาคาดวังการประชุมเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้มีการลดการเผา น้ำมันการเผาถ่านหินเพื่อที่จะคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกินอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ให้เกินไม่ให้มากไปกว่า 1.5 องศาแต่ว่าการประชุมครั้งนี้นี่ยังไม่ทําให้มีความหวังเลยเพราะว่าไปคุยกับเรื่องอื่นซะเยอะโดยเพราะเรื่องว่าการจะจ่ายเงินทดเชยให้กับประเทศที่เขาเดือดร้อนจาก โลกร้อนอยังไงบ้างเช่นปากีสถ า, านทึ่เจอน้ําท่วมหนักประเทศเหล่านี้เนี่ยเขไม่ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เลยเพราะเป็นประเทศยากจนแต่ต้องมารับกรรมนะเพราะว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยตัวการสําคัญก็คือประเทศอุตสาหกรรมประเทศที่ร่ํารวยซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสองร้อยปีแล้วตอนนี้ประเทศยากจนก็รับกรรมไป เขเลยวาเนี้ต้องจ่ายค่าชดเชยนะกลตกลงกันได้นี่ก็เมื่อวานนี้เองแต่ที่ยังไม่ได้คุยกันเลยจริงจังคือว่าแล้วจะลดการเผาน้ํามันการเผาชานหินได้ยังไทงทั้งที่ตอนนี้เนี่ยเขามีการคาดการว่าเนี่ยมีโอกาสห้าสิบห้าสิบเลยนะห้าสิบห้าสิบนะหรือครึ่งครึ่งเลยนะที่ อุณภูมิโลเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น 1.5 องศาหรือเพิ่มมากกว่าเดิม 1.5 งจหาองศาภายใน5ปีเนี่ยซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันห้ามไม่ได้แล้วทามันเกิน 1.5 องศาซึ่งพอคาดการว่านี่อาจจะถึงจุดนั้นในอีกหปีข้างหน้าเนาะั้งแต่ที่น1น่จุดหาองศาเนี่ย ข้พยายามควบคุมไม่ให้มันอยู่ภายในปีสอง0ก็คือ8ปปีข้างหน้าทำไงปีสองพาสเนี่ยเราจะสามารถคุมบุณหภูมิโลกเนี่ยไม่ให้เกิน1นจดองศาได้แต่ตอนนี้มันทำท่าจะไม่มีความหวังแล้วเพราะว่าประชุมกันรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการพูดเรื่องนี้จริงจังเลย ไม่มีความก้าวหน้าจากปีที่แล้วก็ประชุมทุกปีนะปีที่แล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยตกลงกันว่าจะลดการใช้ฐานหินแล้วปีนี้ก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะให้มีการตั้งเป้าแล้วว่าจะงดใช้ฐานหินเนี่ยปีไหนแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าไม่มีข้าตกลงกันระดับโลกเลยก็จจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะอย่าง บราซิลซึ่งในประทานติที่พอดีคนใหม่ก็ประกาศเลยในแปปีข้างหน้านี่การทำลายป่าในอเมซอนเนี่ยจะเป็นศูนย์ะจะเป็นศูนย์นะแต่นี่ก็เป็นแค่คำประกาศนะของประเทศเดียวแต่ไม่ได้มีการตกลงไม่มีข้อตกลงร่วมกันนะเกี่ยวกับเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องการเผาน้ามันและการใช้ถ่านหินก็ไปหวังว่าปีหน้าเนี่ยนะ จะมาคุยเรื่องที่จริงจังแต่ก็เวลาก็เหลือน้อยลงแล้วเขาบางเวลาไม่คอยท่าแล้วอันนี้เราก็รับรู้เอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคนทั้งโลกเกี่ยวพันกับเราเกี่ยวพันกับลูกหลานของเราจะมาสนใจแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมันก็ไม่พอเพราะว่าตอนนี้รถเนี่ยตอนนี้โลกเนี่ยเหมือนกับรถที่กําลังวิ่งไปสู่เหวไปสู่หน้าผาจะชะลอรถเนี่ยไม่ให้มันตกหน้าผาได้ยังไง ตอนนี้มันยากมากนะแต่ก็ต้องรับรู้เอาไว้